ที่ชื่อว่าแป้งพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงแป้งงาคำว่าสงสนารนคือภิกษุณีสงสนารนต้องอบัตทุกกดในขณะที่สงสนารนสงสนารนเสร็จต้องอบัตปลายจิตตี